เถิงแห่งโลกพระพุทธภาสิทธ์โกนุห้าโซกิมานันโดนิจังปัชฉรเจสติอันธกาเรณโอนัธาปดีปังนั ก, กะเวสถะแปลความว่ า, วาเมื่อโลกสันิวาตนี้ลุกโผรงอยู่เป็นนิดด้วยไฟคือราคาเป็นต้นท่านทั้งหลายถูกคอหุ้มด้วยความมืดคืออวิชชาแล้วทำไมจึงยังร่าเริงกันนักทำไมจึงไม่แสวงหาประทิพ ค, คือยานเล่า อธิบายความโลกคือมูสัตว์ดินรนเร่าร้อนอยู่ในกองเพลิงสองกองคือเพลิงทุกหนึ่งเพลิงกิเลสหนึ่งถูกเพลิงสองกองนี้เผาให้เราร้อนกระวนกระวายอยู่เป็นนิดอันหนึ่งเปรียบเหมือนลูกศรสองดอกเสียบปุตุชนอยู่คือลูกศรที่เสียบกายและลูกศรที่เสียบใจกล่าวคือความทุกกายและทุกใจตามลําดับเพลิงทุกนั้นคือความแก่ความเจ็บความตาย ความโศกความคร่ำครวญรำพันเพราะปิยวิปโยคบ้างเพราะอปิยะสัมปโยกบ้างเพราะปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นตามต้องการบ้างมนุษยศาสตร์ว่ายวนอยู่ในกองเพลิงนี้อย่างน่าสงสารแต่ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากเพลิงภายในอีกอย่างหนึ่งคือเพลิงกิเลสเช่นราคะโทสะโมหะริศยาพยาบาทเป็นต้นราคะคือความกำหนัดพอใจในอารมณ์อนันาใคไรเช่นรูปสวย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 อาจมีปัญหาว่าฉนายบางคนเมื่อความสามารถทางการลดน้อยลงจึงมีความเดือดร้อนตอบว่าความสามารถทางการกับความรู้สึกทางการนั้นไม่เหมือนกันบางคนความสามารถทางการลดน้อยลงแต่ความรู้สึกทางการหาลดน้อยด้วยไม่ยังไม่มีความปรารถนาอย่างรุนแรงในการบริโภคกามอยู่แต่มิอาจให้มารูถึงความปรารถนานั้นโดยสมมุติได้ในกรณีเช่นนี้แหละบุคคลนั้นจึงเดือดร้อน พูดให้สั้นว่าใจ ย, ยังต้องการบริโภคการอยู่มากแต่ร่างกายแม้อาํานวยให้ความต้องการนั้นบรรลุผลส่วนบุคคลผู้เบาบางในทางนี้ย่อมมีความทุรนทุรายน้อยเช่นปุถุชนบางคนและพระสกท า, าคามีทั่วไปคุณสมบัติของพระสกท า, าคามีที่สูงกว่าพระโสดาบันคือทําราคาโทสะโมหะให้เบาบางส่วนพระนาคามีนั้นละการมาราคาได้เด็ดขาดแล้ว ไม่ต้องกังวลกับเรื่องอย่างนี้อีกต่อไปใจสงบสุขได้มากเพราะละสิ่งรบควณจิตที่สําคัญสําคัญได้หลายอย่างมีการมราคะเป็นต้นไยที่เกิดจากไม้ก็ดีจากดวงอาทิตย์ก็ดีพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ร้ายแรงเท่าไฟคือราคะเพราะไยนี้เผากล่นอยู่ตลอดเวลาในความสํานึกในความรู้สึกของตนมันกล่นอยู่ในใจเสมอไม่เคยดับนอนหลับแล้วก็ยังฝันถึงอีกเพราะเหตุที่มันกล่นอยู่เสมอนี่เอง พอได้เชื่อคือเพศตรงข้ามอันเป็นที่พอใจมันก็ลุกโผล่ขึ้นทันทีเมื่อสมปราถนาก็ทําให้บุคคลติดอยู่พอใจอยู่ในอารมณ์นั้นเหมือนหยดน้ําน้อยให้ความพอใจแก่คนกระหายจัดบุคคลทั่วไปไม่ค่อยต้องการจะละมันก็เพราะมันมีความสุขเล็กๆ น, น้อยๆหยดให้อยู่เหมือนหยดน้ํากลางหนามนกที่กระหายต้องบุกบั่นเข้าไปไยนี้ไม่อยู่ในใจของคนทุกคนรวมกันเป็นจํานวนสองสามพันล้านคนในโลก ถ้าลองคิดดูเถิดว่าจะเป็นไฟดวงใหญ่เมื่อคือมาเพียงใดฝ่ายเพศตรงกันข้ามเล่าต่างก็เป็นเชื้อให้กันละกันทําให้ดวงไฟเริ่มแรงขึ้นติดต่อกันไม่ขาดสายมีคนจํานวนไม่น้อยที่ต้องตรอมใจตายเป็นบ้าฆ่าฟันกันต้องติดคุกติดตารางเพราะไฟนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่มีไฟใดเสมอด้วยไฟคือราคะเผ า, าอยู่ทุกวันชั่วอายุและยังเป็นนิสัยสันดานตาม ต, ามติดไปเผาในชาติหน้าอีก โ, โรคโพล่งอยู่ในไฟคือราคะนี่เป็นนิจนิจังปัชลเตสติส่วนไฟคือโทสะนั้นมองเห็นฤทธิ์ของมันได้จากการประทุสล้ายกันโลกเราสังคมของเราจะมีความสุขยิ่งกว่านี้มากถ้าคนไม่ประทุสล้ายกันกําจัดไฟภายในตนคือโทสะให้น้อยลงหรือหมดไปโทสะเมื่อเกิดขึ้นในใจของคนใดมันประทุสลายบุคคลผู้นั้นก่อนคือให้ร้อนรุ่มภายในใจทําอะไรไม่ค่อยถูกพูดจาเสียงสัน่นหรือดังผิดปกติ มือเท้าสัน่นน้ำย่อยอาหารไม่ทำงานทำลายความสุขในการพักผ่อนนอนหลับสติปัญญามืดมนนึกอะไรไม่ค่อยออกเหมือนดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์ที่ถูกเมฆบงังใจมืดมนอนทการอันทะตมังตดาโหติยังโดโซสหเตนะรังหน้าตาที่แจ่มใสก็บูดบึง้งกิริยาที่น่ารักก็กลายเป็นน่าชังน่ารังเกียจพูดอะไรทำอะไรตามที่โทสะบัญชาการมักผิดเสมอเพราะขาดสติปัญญาอย่างตรอง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 แต่ถ้าไม่มีใครนำหม้อไปวางไว้มันก็ทําให้เตาร้อนอยู่ตลอดเวลาริษยานั้นคือสภาพจิตที่ไม่อยากให้ใครได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งดีกว่าตนเมื่อเห็นใครดีกว่าตนก็ทนไม่ได้ให้มีอันเดือดร้อนไปต่างๆนานาแล้วามหาเรื่องใส่ข่าวว่าอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อได้ยินใครชมใครก็ทําเป็นเออ อ, อไปสักประเดี๋ยวหนึง่งแล้วก็นําเรื่องไม่ดีซึ่งมิได้มีอยู่จริงในบุคคลผู้นั้นมาพูดกลบความดีที่คนอื่นสรรเสริญเสีย ทางนี้ด้วยจิตที่ทนเห็นใครได้ดีไม่ได้เห็นใครดีกว่าตนไม่ได้ท่านกล่าวว่าจะดูคนริษยาจงดูที่การหาเรื่องแม้จะไม่มีเรื่องจริงก็ปั่นเรื่องขึ้นเพื่อใส่ร้ายเขาตนจะได้เด่นเข้าทํานองเอาโคลนไปสาดบ้านคนอื่นเพื่อให้บ้านของตนมองดูสะอาดคนใดมีริษยาอยู่ในใจมากคนนั้นไม่มีความสุขใจเขาเกลียดความดีและคนดีไม่อันโมทนาต่อความดีความเด่นของใคร ความไม่ดีอีกอย่างหนึ่งที่จะตามคนริษยาคือการยกตนข่มคนอื่นบางท่านตีคนอื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจก็มีตีเมื่อเห็นข้อบกพร่องและบุกคนผู้นั้นมีข้อบกพร่องจริงพูดไปตามความเป็นจริงมิได้มีใจริษยาเจตนาใส่ร้ายคำพูดอย่างนี้เป็นสุภาษิตควรฟังโดยธรรมดาคนฟังย่อมฟังออกเสมอว่าใครพูดโดยจิตอย่างไรคือด้วยจิตริษยาหรือด้วยจิตบริสุทธิ์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 จงเป็นไฟใหญ่ในโลกที่ลุกโคลงอยู่เสมอมนุษย์และสัตว์วนว่ายอยู่ในทะเลเพลิงนี้อย่างน่าสงสารใครเล่าจะช่วยได้ผู้รู้ทั้งหลายเป็นเพียงผู้ชี้ทางให้ตนนั่นแหละต้องช่วยตนเองในการถอนตนออกจากกองเพลิงอันหนึ่งเพราะเหตุที่สัตว์ทั้งหลายถูกขอหุ้มไว้ด้วยอวิชาจึงไม่อาจรู้ความจริงได้ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรจึงทาอะไรอะไรลงไปด้วยความมุงเขาเหมือนคนเดินอยู่ในที่มืด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 หลงดีใจเสีย ใ, ใจในความฝันผู้ทําลายความมืดคืออวิชชาได้แล้วเหมือนผู้ตื่นแล้วหมดความสงสัยไม่หลงยึดมั่นดีใจหรือในความฝันชันนั้นด้วยเหตุที่กล่าวมานี้พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสเตือนหญิงสหายของนางวิสาขาว่าท่านทั้งหลายร่าเริงกันอยู่ทําไมทําไมไม่สแสวงหาดวงกระทีพคือยานเล่ามีเรื่องยอดดังนี้เรื่องหญิงสหายของนางวิสาขา กุลบุตรห้าร้อยคนในเมืองสาวัตถีได้มอบพัญญาของตนของตนให้เป็นบริวารของนางวิสาขาด้วยหวังว่าเมื่ออยู่ใกล้นางวิสาขาพัญญาของตนจะเป็นผู้ไม่ประมาทความจริงก็เป็นอย่างนั้นการถ้อยู่ใกล้คนดีย่อมทําให้ดีขึ้นไม่มากกาน้อยแลแต่อุปนิสัยบา ร, รมีของคนนั้นๆคราวหนึ่งมีมาหรสโกเกี่ยวกับสุราเจ็ดวันถ้าเป็นสมัยนี้อาจเรียกว่าสัปดาห์แห่งการดื่มสุราคงจะได้ เาะมากันเจวันจริงๆหญิงห้าร้อยคนบริวารของนางวิสาขาเตรียนสุราเพื่อสามีของตนของตนตลอดเจดวันสามีเหล่านั้นเล่นมหรศกและดื่มสุราคือสนุกด้วยการดื่มสุราครบเจวันคือในอินเดีย ป, ปัจจุบันการดื่มสุราต้องทําในที่มิชิตในพัฒก า, ารที่ได้รับอนุญาตให้จําหน่ายสุราได้ก็ต้องมีห้องพิเศษสําหรับดื่มสุราไม่สามารถมองเห็นได้จากถนนหรือตึกหลังอื่น รวมความว่าต้องเป็นที่มิทิตมีวันหยุดจำหน่ายสุราสัปดาละหนึ่งวันคือวันอังคารบางแห่งแถมวันศุกร์เข้าวันหนึ่งด้วยพอวันที่แปดก็หยุดดื่มออกไปทา ง, งานหญิงเหล่านั้นไม่มีโอกาสดื่มสุราต่อหน้าสามีเพราะสามีไม่ยอมอนุญาตแต่สุรายังเหลืออยู่เธอจึงออกอุบายให้วิสาขานำไปเที่ยวชมสวนซ่อนสุราไปด้วยและดื่มสุราในสวนด้วยอาการอันมิชิต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 เมื่อกลับมาถึงบ้านแกล้งทำเป็นนอนไข้แต่สามีไม่เชื่อเพราะกลิ่นสุรามันฟ้องจึงถูกตีคนละหลายทีแต่ไม่เข็ดพอมีงานมาขรสพเดินสุราวันอื่นอีกก็อยากดื่มอีกจึงขอร้องวิสาขาให้พาไปชมสวนอย่างเคยแต่วิสาขาไม่ยอมนำไปบอกว่าคราวก่อนทาอัปยศครั้งหนึ่งแล้วอยากไปก็ไปกันเองเถิดหญิงเหล่านั้นเปลี่ยนโยบายใหม่ ร้องขอให้นำไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าที่เชเทวนารามวิสาขาเห็นว่ากิจนั้นเป็นกุศลจึงยอมพาไปหญิงเหล่านั้นจะแจงกรอกสุราลงในขวดที่มีลักษณะสันฐานคล้ายฝ่ามือเอาสาหรีคลุมตัวแล้วไปยังวิหารเชตวันพร้อมกับวิสาขาวิสาขาไม่ได้สังเกตเมื่อไปเฝ้าพระาศาสดานั้นนางได้ขอร้องให้พระาศาสดาทรงแสดงธรรมแก่หญิงบริวาร หญิงบริวารของเธอแอบดื่มสุราต่อเบื้องพระพักแห่งพระศาสดาจนรู้สึกเมามีอาการสั่นเทิมวิงเวียนคล้องสติไม่ได้บางคนทํทาท่าจะฟ้อนรําบางคนจะขับร้องพระศาสดาทรงกําหนดอาการนั้นทรงทราบโดยตลอดแล้วทรงแสดงฤทธิ์ให้บริเวณนั้นมืดมัวมองไม่เห็นกันหญิงเหล่านั้นมีอาการตกใจกลัวความเมาจึงสาง่งพระศาสด า, สาทรงทราบว่าความเมาของหญิงเหล่านั้นสา่งแล้ว จึงเปล่งพระรัศมีสว่างขึ้นเหมือนแสงแห่งจันในวันเพ็ญพระโทศพลเจ้าตรัสกับหญิงเหล่านั้นว่าพวกเธอมาสู่สำนักของเราแล้วประมาทอย่างนี้หาควรไม่การทำความอุตสาหะให้ไฟคือราคะเป็นต้นดับไยจึงจะควรดังนี้แล้วทรงแสดงธรรมว่าเมื่อโลกสันนิวาสนี้ลุกพงอยู่เป็นนิจ ด, ด้วยไฟคือราคะเป็นต้นเป็นอาทิมีนัยยะดังพนานนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนา ทิ้งเหล่านั้นดำรงอยู่ในโซดาปฏิพนแล้ว